เมื่อเมื่อเช้านี้ก็บอกว่าธรรมจิตเป็นของสําคัญวันนี้ก็ต้องย้ําอีกว่าจิตเป็นของสําคัญจิตเป็นธรรมชาตินี้มีรู้อย่างเดียวจิตรู้ดีรู้ชั่วรูปเป็นธรรมนิพพานกิจการนั่นเป็นกิริยาของจิต เลยบอกว่าเป็นเรื่องของสติบ้างเป็นเรื่องของปัญญาบ้างแต่จิตก็แค่ๆไม่มีกิริยาอาการออกท้ายเป็นความรู้เท่านั้นถ้ากิริยาแสดงออกสังจิตก็รู้ดีรู้ชั่วรู้สึกรู้ทุกข์รู้นินทาลิ้นสรรเสริญนี่เป็นกิริยาอาการออกมาแล้ว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 ตระรู้ของเรากับรู้ของท่านผู้บริสุทธิ์นั้นผิดกันมากรู้ของเรามันมีสิ่งเจือปนอยู่ภายในรู้ของพระภิกษุนาตบคือพระอรหันต์ท่านไม่มีอันใดเจือปนมีแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆที่ไม่มีอะไรเจือปนนั่นแลเป็นความรู้ที่วิเศษเป็นความรู้ที่อัศจรรย์เป็นความรู้ที่ส่งมวยถึงความสุขเต็มเม็ดเต็มหน่วย อำภูมิฐานของจิตที่บริสุทธิ์สุขก็เต็มภูมิคงเส้นคงวาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปรผวนเหมือนโลกทั้งหลายเหมือนอาการต่างๆที่มีอยู่ในโลกซึ่งเป็นไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาองค์จิตนี้ไม่เป็นอย่างนั้นหมายถึงจิตของท่านผู้ชำระได้ ไม่ติดเป็นภูมิแล้วตะลักอย่างการท่องเที่ยวในวัฏะสงสารคือในภพชาติต่างๆนั้นติดเป็นหนักติดเป็นตัวสําคัญติดเป็นตัวการอันจึงเรียกว่าสังสารจักรก็มีความหมายคําว่าเปลี่ยนไปตาม กฎแห่งกรรมเพราะจิตอยู่ใต้อำนาจของกฎของกรรมกรรมพำมูลไปอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนั้นเนื่องจากจิตยังไม่พ้นวิสัยของของกรรมนอกจากจิตภิญญาสกท่านนั่นท่านพ้นแล้วขึ้นคือว่าสมมุติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เลยไม่ว่าสมมุติดีสมมุติชั่วสมมุติประเภทใด ทางดินเหนือสมุทรทํามันเหนือก็คือว่าไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้จิตนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเป็นความรู้โดยหลักธรรมชาติของตนเองเช่นนั้นเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี่นี่เป็นที่สุดของจิตสุขที่ตรงนี้สุขที่ตรงบริสุทธิ์การท่องเที่ยว เกิดจากเจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่สูงๆต่ำๆแล้วลุ่มบรรดาลเมื่อมาถึงจุดก็มาถึงจุดที่ตรงนี้เหตุใดจึงต้องมาถึงจุดที่ตรงนี้เพราะสาเหตุที่ให้ท่องเที่ยวได้แก่เชื้ออันหนึ่งที่แฝงลึกแทรกซึมอยู่ภายในจิตหมดสิ้นไปมีแต่จิตล้วนๆ จึงไม่เข้าไปปฏิเวทิในพบกำเนิดใดทั้งสิ้นถ้ายังไม่บริสุทธิ์ย่อมจะปฏิเสธเมื่อตายแล้วไม่ได้เกิดหรือจะเป็นความเห็นลอยโดยถ่ายเดียวตามความเข้าใจของตนว่าตายแล้วสูญก็ตามธรรมชาติอันนี้ไม่เป็นไปตามความเข้าใจ ความภาคหมายของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะธรรมชาตินี้เหนือความภาคความหมายแต่เป็นใหญ่ในตนของตนเองคือเรื่องของกรรมจักรโลกจึงต้องหมุนไปด้วยกันไม่ว่าชนิดใดไม่ว่าสัตว์ในน้ําบนบกบนอากาศพบละเอียดพบยากซึ่งพบ ภพที่เป็นทิพย์นะพูดถึงเทพบุตรเทวดาอินทร์พรอย่างนี้เรียกว่าภพละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นได้การนี้แต่จิตก็นั้นแต่กําเนิดเกิดได้มีภพขึ้นมาภพลํายากเช่นภพสัตว์ภพบุคคลเกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลในน้ําบนดินก็เกิดได้ขอแต่กรรมพาให้ไปเกิด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 ในเวลาที่ยังไม่ได้พ้นโลกพ้นสงสารพ้นจากความเกิดแก่ติดตายในทุกน้อยทุกไรก็ขอให้เป็นทุกข์ในระยะของภพนั้นๆขออย่างดีเช่นเดียวกับเราเดินทางมีเครื่องป้องกันตัวผมเราก็มีรองเท้าเราก็มีฝนตกแดดออกเราก็กั้นลมกันฝนร้อนทางพื้นเรา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 มีธรรมบันเทาทุกข์อยู่ในตัวไม่เหมือนคนที่ไม่มีเครื่องป้องกันตัวมีแต่ความทุกข์เป็นที่เป็นฐานการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารก็มีลักษณะเช่นนั้นไม่พลิกจากสิ่งนี้ไปได้เลยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สร้างเครื่องป้องกันตัวจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนคนเดินทาง ก่อนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางต้องมีเครื่องป้องกันตัวและทะเบียนกรรมต่างๆไม่ไม่อดเพื่อไม่ให้อดอยากขาดเคลื่อนในเวลาเดินทางเดินไปก็ต้องมีสิ่งเเสวยมีสิ่งอาศัยอยู่ก็ต้องมีสิ่งอาศัยจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เพราะไม่ใช่คณิธานคณิธานนั้นเป็นผู้พอแล้ว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 นี่สุขก็เป็นความกระโดดสบายในทรัพย์ฐานนั้นท่านจึงสอนให้สร้างพื้นฐานธรรมดีไว้เป็นเครื่องประดับใจไว้เป็นเครื่องส่งเสริมและอุ้มชูจิตใจของเราเวลาจนก่อถึงมุมจนจริงๆไม่มีที่พึ่งที่อาศัยสิ่งที่เราเคยอาศัยภายนอกมาเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ตามเมื่อจิตนิสัยจะอาศัยสิ่งนั้นได้แล้วก็ไม่มีอะไรจะอาศัย นอกจากบุญจากกุศลที่เราได้สร้างไว้เป็นแก้วสารพัดนับอยู่ภายในจิตใจของเราอ่าเปิดในภพใดท่านใดมีความสุขความสบายพอเป็นเครื่องบันเทากันไปเรื่อยๆไม่ว่าพบใดท่านใดก็พออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายอะไรมากนัก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 จิตใจจึงต้องเตาะต้องแสวงให้ไปไปแล้วก็อย่างว่านั่นถ้าตัวของตัวไม่มีความสามารถอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ได้รับความลําบากลําบนเช่นเดียวกับอยู่สถานที่หนึ่งนั่นแหละอ่าเป็นผู้มีความสามารถอยู่แล้วมีความสมบูรณ์พูนสุดเนี่ยสมบัติเงินทองเข้าของคนเรา ย่อมไม่คิดอยากจะย้ายบ้านได้เรือนไปอยู่ที่ไหนเพราะการทํามาหาเลี้ยงชีพก็เป็นความสะดวกสบายอยู่แล้วก็ไม่อยากจะโยกย้ายบ้านเรือนไปอยู่สถานที่นั้นที่นี่จะรับความลําบากลําบนวุ่นวายอะไรนี่มาแล้วก็อยู่ไปนี่คือความทุกข์มันพาให้กระเจอะกระชนขวนขวายมันไปที่นั่นมาจะดีไปที่นี่มาจะดี ทรัพย์ของไม่ดีแล้วไปไหนมันก็เท่าเดิมพรานจึงต้องประธรรมของพระญาติจึงต้องสอนให้สร้างเจ้าของให้ดีพบใดก็ตามถ้าเป็นพบของผู้ไม่มีบุญพบของผู้มีบาปพบของผู้มีบาปอย่างจะมีแต่พืนแต่ปลายไปทุกพบทุกทางยิ่งดลกวัดแก่งผยิดตลอดเวลาเพื่ออำนาจแห่งกรรมเผาผลาญจิตใจ ไม่พบทานนั้นหาความสุขไม่ได้อ่ะเป็นไปพร้อมอํานาจแห่งบุญแห่งศีลไปพบใดก็มีแต่ความสุขความสบายไม่ดิ้นรนกัดแกร่งไม่วุ่นวายอยู่ไหนก็อยู่ได้คนนั้นถ้าไม่มีทุกข์มาบีบคั้นเจี๋ยอย่างเดียวแม้แต่มนุษย์เรานี้ถ้าไม่มีทุกข์มาบีบคั้นเราก็อยู่ได้เออทําไมก็อยู่ไม่ได้ ยินทําจิตใจให้บริสุทธิ์ด้วยแล้วก็อยู่ในมนุษย์นี่แหละจะเป็นมนุษย์ทั้งคนนี้แหละแต่จิตก็เป็นอริยจิตเป็นวิสุทธิจิตจิตคมายไม่กระทบกระเทือนกับอารมณ์อะไรอะไรก็เข้าไม่ถึงมีแต่ความสมาธิอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนถ้าจะมีอยู่บ้างก็เพียงขาดเพียงขันธ์มันรบกวนเพราะความเจ็บนั้นปวดนี้ ตามเรื่องของธาตุขันธ์ที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็แสดงไปตามเรื่องของมันเพื่อนจิตใจนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นความพาเจ็บเยินใจหากว่าร่างกายไม่แตกอยู่ตั้งกับตั้งกันก็อยู่ไปได้ไม่คิดอยากตายเพราะไม่มีทุกข์อันใดมาบีบบังคับบุญคุณของฉะนั้นน่ะเป็นเพื่อน 2 ของเรา ในเวลาเดินทางทิศท่องเที่ยวในสังฆะณวัดมีความหมุนไปเปลี่ยนมาแห่งพวกสังฆะมีกิสณสมภารที่เราสร้างไว้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเพื่อน 2 นึกถึงอะไรก็เป็นมาเกิดมาตอบรองความต้องการมีมีความสุขความสบายหรือพบรายท่านใดก็พออยู่ มีบุญบุญคือความสุขความสุขไม่ว่าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอย่าว่าแต่มนุษย์เราต้องการเลยเขาก็ต้องการเช่นเดียวกับเราแต่เขาไม่มีความเฉลียวฉลาดเหมือนมนุษย์พอที่จะสร้างความสุขขึ้นคือจิตใจได้เหมือนเดาเท่านั้นเขาก็อยู่ตามปรัชญาของเขาไปเราเป็นมนุษย์ที่มีความเฉลียดแหลมคมยิ่งกว่าสัตว์และมีศาสนา เช่นสีแนวทางสาเหตุให้เราได้ดำเนินด้วยความถูกต้องและเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภาวนาคือความฝึกความพึงใจภายในใจของเราจิตใจเมื่อมีบุญมีกุศลดูก็พออยู่ไปก็พอไปไหนก็พอไปเพราะมีความชุ่มยมอยู่ภายในตัวนี้แล้วอันจึงสอนให้สร้างตรงนี้ ใจเป็นของสําคัญมากยิ่งกว่าวัตถุสิ่งใดทั้งสิ่งใจเป็นหน้าเป็นฐานใจเป็นผู้ทั้งเที่ยวเหนือครบน้อยครบใดธรรมทั้งกล่าวไว้ว่าอเนกตชาจิตสร้างสร้างอนทาจิตสร้างอนิจิตสร้างดังนี้เป็นต้น การต้องเกี่ยวเนวตตาสงสารนับประมาณไม่ได้มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้บัดนี้เราได้ทำลายแล้วซึ่งคงจักข์คืออวิชชาในสิ่งสุดเรื่องไปแล้วบัดนี้เราเป็นผู้ไม่เกิดอีกแล้วนี่คือพระอุทานของพระพุทธเจ้าที่ทรงลื้อคงจักข์อภิพัสสัญญุภายในจิตใจ อันเมืองเนี่ยเป็นแครงแปลงปะเนพพบน้อยพบน่ะที่นี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วเหลือแต่ที่วัดที่วัดตะคือไม่หมู่เป็นความบริสุทธิ์ล้วนๆมันก็หมายถึงใจเราทุกคนมีวาสนาด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทงากวาสนาของกันและกัน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 นี่เป็นเถือเดิมแห่งจิตไส้ของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเคยถือศาสนาเคยสร้างบรรดาที่ทั้งผ่านมาแล้วจึงยึดหลักนิสัยเดิมนี้ไว้พอใจกับการบำเพ็ญของตนที่เคยเป็นแม้เราจะจําไม่ได้ว่าเราเกิดพบใครท่านใดไม่เคยสร้างคุณงามความดีอย่างนี้หรือไม่ประการใดก็ตามเราก็ถือเอา <c oughs> ความเป็นของใจเราซึ่งแสดงอยู่ปัจจุบันนี้เป็นหลักฐานได้เลยจิตเคยอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่เป็นหลักดันมโนฐานอยู่ที่ใจสร้างแล้วก็รวมเข้าไปสู่ใจสู่ใจโดยลําดับทั้งนั้นเมื่อวาสนาบารมีของเราแตกข้านแล้ว เรื่องมีมานะมากน้อยหากจะรู้ภายในตัวของเรานั่นตอนนั้นเป็นตอนที่เปิดเผยเต็มที่แล้วเจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจนได้ชมสมบัติที่ธรรมชาติอันล้นค่าที่ภาวนาจิตใจของตนทําให้เราเกิดความภาคภูมิในการบําเพ็ญของเราในชาติปัจจุบันหากเราลืมชาติใดไม่ได้เราก็ได้ภาคภูมิจิตใจว่าเราได้เคยทํามาอย่างนั้นอย่างนั้น จิตใจของเราจึงได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่ต่อให้เราเห็นได้อย่างชัดในโลกนี้พบภูมิของสัตว์นั่นน่ะมีมากนับเป็นเราอย่างนับแสนหมื่นๆแขนแขนพบภูมิเหล่ามีมากกว่านั้นที่จิตมีทางที่จะเป็นไปได้ต่างๆนั้นน่ะเพราะสิ่งที่ไม่แน่นอน เหล่านี้แหละนักสิ่งที่ไม่ไว้ใจเหล่านี้แหละมีมากเป็นหนีมากถ้าพระพุทธเจ้าจะสอนลงในจุดกลมว่าผู้ใดเป็นผู้ที่จะเวสู่ในภพชาติใดๆต้องขึ้นอยู่กับจิตนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจงสร้างจิตฝึกฝนอบรมจิตให้ดีเป็นสิ่งสําคัญถ้าอบรมจิตนี้ ด้วยดีคือโดยศีลโดยธรรมแล้วจะมีทักษิณร้อยละ 400 ล้านพบภูมิของสัตว์ก็ตามจิตจะเกิดในภพภูมิที่ดีเท่านั้นเหมาะสมกับวาสนาบารมีของตนคือเหล่านั้นก็เป็นโมกขะเป็นมรรคทักษิณดวงที่มีความดีถ้าจิตไม่มีความดีอย่างเช่นนั้นห่างไกลที่มาก ได้กับจุดนี้ที่จะสวมใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดายพระพุทธเจ้าต้องอี้ดป้องกันเอาไว้ด้วยพระองค์าคมของสอนให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามซึ่งเป็นแนวทางที่ถูกต้องแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นสุโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญย่อมนํามาสู่ความสุข ทุกทั้งชาตินี้สึกทั้งชาติหน้าพบหน้าสุกไม่มีสึกมีจางสุกสุกไม่เบื่อก็คือสุกด้วยอํานาจแห่งบุญบารมีกุศลคือความสุขใจที่ขอให้พากันอธิษฐานพลีอย่างนี้เรามาบําเพ็ญเป็นตามเป็นเวลาเพราะเราเป็นคฤหัสถ์ต้องยึดเต็มขวัญฝายเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อญาติเพื่อวงเพื่อ ผู้เกี่ยวข้องมากน้อยมนุษย์เราอยู่ที่ไหนต้องมีความวุ่นวายกับจิตการงานเหล่านี้เหมือนเหมือนกันหมดนั่นนั่นเป็นความจําเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องทําส่วนจิตใจที่การสร้างบุญสร้างกุศลก็อย่าปล่อยอย่าลดละในพยายามทําเป็นคู่เียงกันไปข้างนอกสมบัติภายนอกเราก็มีอาศัยได้ตลอดไป สมบัติภายในเราก็มีอาศัยได้ตลอดไปเช่นเดียวกันกับสมบัติภายนอกและเป็นสมบัติที่เฉพาะของตัวละบุคคลบุคคลนี้จะต้องเพ่งพึงอาศัยสมบัติอันนี้มันเป็นแก่สารพรรณึกอยู่ภายในจิตใจมีความผิดความเจริญในทุกภาคต่อไปสมกับมนุษย์เรามีปัญญาประเสริฐฉลาดคาดหน้าคาดหลังเพื่อตัวเองได้โดยถูกต้อง แลบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมอย่างสอนซึ่งเป็นสัวคาละธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรับเลือกแล้วเราก็ไม่ผิดหวังอยู่ในโลกนี้ก็เกิดถูกต้องเหมาะสมแล้วคือภูมิมนุษย์พบหน้าก็จำต้องเหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะอํานาจแห่งบุญกุศลเป็นผู้พาให้เกิดเป็นผู้พาให้เป็นนี่คือความแน่ใจของผู้สร้างนั่นแนวศาสนแห่งการปฏิบัติธรรม พระบัญญานุภาพขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระตงจึงคุ้มครองท่านทั้งหลายที่มีความปกการสบายใจอย่าได้มีโรคาทยาธิอันใดมาเบียดเบียนทําลายให้ได้บําเพ็ญพูนงามความดีเต็มภิติกําลังความสามารถทั้งปวงจนถึงอันอวสานสุดท้ายผมกับธรรมมีมากศาสนาดังที่ท่านทั้งหลายมุ่งมาแล้วโดยทั่วกันจึงขออธิษฐานเพียงเท่านั้น